นางให้ช่างเจ็ดคนนำรัตนะเจ็ดอย่างยกพวงทองตั้งไว้ระหว่างหม้อแปดใบตะเกียงเจ็ดแสนดวงมีน้ำมันหอมเต็มทุกท่วนตามประทีปไว้ณที่นั้นที่ประตูทั้งสี่มีเสาระเนียตสร้างด้วยรัตนะมีท่านตั้งไว้งดงามมีพันดอกไม้และธงรัตนะและนางก็ได้สร้างพระสถูปสามด้าน ด้านหนึ่งบรรจุหอรดานด้านหนึ่งบรรจุมโนศิลาด้านหนึ่งบรรจุแรบพวงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและถวายมหาทานแด่พระสมผู้กล่าวธรรมอันประเสริฐตามกำลังจนตลอดชีวิตสองสามีภรยาเกิดร่วมกันเป็นดุดเงาตามตัวในทุกๆุกพอพอธิคถาเล่าเพิ่มเติมว่า ครั้งพระพุทธเจ้าประทุมุตระนางเข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางบุคเพนิวาสยานหรือบุคเพนิวาสานุสติยานจึงกระทำกุศลเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นสมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีนางก็เกิดเป็นภรยาของพราหมณ์นั้นเอกสาดกพราหมณ์ผู้มีผ้าผืนเดียวต่อมาคือพระมหากรสปะ ทั้งสองมีจิตใจเสมอกันมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียววันหนึ่งพราหมณ์ไปฟังธรรมและได้ถวายผ้าผืาผนนั้นแด่พระพุทธเจ้าเมื่อเอาชนะความตรหนีได้ถวายผ้าแล้วร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าพันทุมราชประทับฟังธรรมอยู่ด้วยทรงสดับแล้วก็สอบถามแล้วพระราชทานทรัพย์ให้เป็นจำนวนมาก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 แล้วทรงให้สร้างมนต์ดบแก้วประดับทองกว้างร้อยศอกแล้วนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาในพระราชนิเวศเพื่อรับมหาทานแม้พระนางก็ได้ถวายด้วยจากนั้นนางมาเกิดในกาสิกาคามเมืองพรารณสีส่วนพระเจ้าแผ่นดินมาเกิดในตระกูลกุดุมพีและได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันวันหนึ่ง น้องชายของสามีได้นําอาหารของพี่ชายถวายแด่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเมื่อสามีนางได้ทราบก็ไม่ยินดีนางจึงได้นําข้าวมาให้สามีเพื่อถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาก็ถวายนางจึงโกรธนาบาทของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเททิ้งแล้วใส่เปลือกต้มเข้าไปแทนแต่นางก็เกิดความสลดใจ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 อธิกฐาเล่าต่างไปว่านางทะเลาะ ก, กับน้องสาวของตนเห็นน้องสาวถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็คิดว่านางถวายบิณฑบาตแล้วจะทำให้เราอยู่ในอำนาจเธอจึงได้นําบาดนั้นมาเททิ้งใส่โคลนตมเข้าไปแทนแล้วถวายผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันตำหนิว่านางเป็นพาน ทะเลาะ ก, กับคนหนึ่งแล้วไปทำร้ายอีกคนหนึ่งท่านทำผิดอะไรต่อเธอนางฟังแล้วละอายใจสำนึกผิดนำบาดมาเทคโครนตมออกล้างแล้วเอาฝุ่นหอมขัดสีใส่อาหารรสอร่อยสีอย่างจนเต็มแล้ววางบาทซึ่งงดงามด้วยเนยใสมีสีดุดภายในดอกบัวหลวงวางไว้บนมือพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่า บินธบาตนี้เกิดมีแสงสว่างชันใดขอให้สรีระของดิชันจงมีแสงสุขสว่างชันนั้นเถิดส่วนในอัตถกาถาเทรีคถาว่านางทะเลาะ ก, กับน้องสาวของสามีครั้นเห็นน้องสาวสามีถวายบินธบาตก็คิดว่าจะทําให้นางได้สมบัติใหญ่จึงนําบาทนั้นมาเททิ้ง นำอิฐชุบของหอมสร้างพระเจดีกลิ่นตัวที่เหม็นหายไปสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะสามีของนางให้สร้างพระเจดีเพื่อบรรจุพระสรีราธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนนางได้ถวายแผ่นอิดทองคำอย่างดีด้วยการชุบอิดนั้นด้วยของหอมสี่ชนิดด้วยบุญนั้นทำให้กลิ่นตัวที่เหม็นหายไปนางให้ช่างทำรัตนเจดเป็นถาด เจ็ดพันถาดให้เต็มด้วยเปรียงและไส้เป็นพันพันให้ตามประทีปไว้เจ็ดแถวเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอธถกะถาว่าครั้งนั้นนางเกิดเป็นทิดาเศรษฐีแล้วจะแต่งงานกับบุตรเศรษฐีต่อมาเป็นพระมหากษัะผู้มีทรัพแปดสิบโกธแต่ด้วยผลบาปพอถึงตระกูลสามีได้กลิ่นเหม็นออกจากตัวเหมือนส้วมที่เปิดฝาไว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 วางอิดติดอยู่ให้ได้ด้วยเครื่องยึดนั้นแล้วบูชาด้วยดอกอุบลแปดกำมือไหว้และตั้งความปรารถนาว่าในที่ที่เราเกิดขอให้กลิ่นจันจงฟุ้งออกจากตัวกลิ่นอุบลจงฟุ้งออกจากปากแล้วไหว้พระเจดีย์ทำประทักษิณกลับไปบัดนั้นบุตรเศรษฐีเกิดสติคิดถึงนาง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 และถวายไตรจีวรตัวนางก็ตั้งอยู่ในกุศ ล, ลกรรมบดสามีมาเกิดเป็นพระราชามีพระนามว่านันทะนางก็เป็นพระมเหสีเป็นผู้ที่มีสมบัติสำเร็จตามที่ต้องการพระเจ้านันทะมาเกิดเป็นพระเจ้าพรมทัศนางก็เป็นพระมเหสีได้บำรุงพระประเจกพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ซึ่งเป็นบุตรของนางปทุมวดี และก็ได้สร้างเจดีย์หลายองค์เพื่อบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานแล้วทั้งสองจึงออกบวชเจริญอปามัญญาสวรรคตแล้วเข้าถึงพรหมโลกชาติสุดท้ายบาลีอปทานเล่าว่าทั้งสองจติจากพรหมโลกสามีมาเกิดเป็นพรามชื่อ ปิดภาลายณะหรือปิดภริมานกต่อมาคือพระมหากัสปะเทระในมหาติถตะมารดาชื่อสุมนเทวีมีดาเป็นพรามโกศยะโคดส่วนตัวนางเกิดเป็นทิดาของกบิลพามมีมารดาชื่อสุจิมาเตในมัททชนบทนครสาการะหรือสาคลนครก็เรียก อธกถาว่าขึ้นอยู่กับแคว้นมคตบิดาของนางให้หล่อรูปนางด้วยทองคําแท่งแล้วถวายรูปหลอนั้นแด่พระกสปะทีระผู้เว้นจากการทั้งหลายครั้นพรามปิดภลยนะัยะเติบโตเป็นหนุ่มทั้งสองแต่งงานกันแล้ววันหนึ่งได้ไปตรวจดูงานพบเห็นสัตว์ทั้งหลายถูกกาจิกกินก็เกิดความสลดใจ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 แม้การนึกถึงทรัพ์สมบัติก็ไม่ได้มีจนกระทั่งบิดามารดาตายลงท่านว่ามานพมีทรัพ์คือสะใหญ่หกสิบสะผูกติดเครื่องยนต์ทำการงานในที่ประมาณสิบสองโยธบ้านสวยส4บสตำบนเท่ากับเมืองอนุราทบุรียานที่เทียมด้วยช้าง14ยานเทียมด้วยม้า14เทียมด้วยรถ14สี่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 เพราะถ้ากุศลที่คนงานทำย่อมมีแก่เราเราก็จะไม่อาจเงยหัวขึ้นจากวตดสงสารได้เราจะมอบทรัพย์ให้แก่เขาแล้วออกบวชหลังจากกลับดูการงานอาบน้ำแล้วขึ้นสู่ปราสาทมานพถามนางว่านางผู้จเจริญเธอมาสู่เรือนนี้นำทรัพย์มาประมาณเท่าไหร่นางพัฒนาบอกว่าห้า0 0ันเล่มเกวียนค่ะ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 แล้วดีกไปในขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้มานบเดินไปข้างหน้าเหลียวกลับมาดูนางคิดว่านางพัฒากาปิลานีนี้เป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในชมพูทวีปเดินตามมาข้างหลังเราจะทำให้ใครๆคิดว่าแม้บวชแล้วทั้งสองก็ไม่ยอมพรากจากกันไม่สมควรเลยจะทำให้พวกเขาตกนรกครั้นถึงทางแยกสองแพร่งจึงหยุดยืนอยู่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 ทางขวาสมควรแก่ท่านเราเป็นมาตุคามเป็นชาติซ้ายทางซ้ายสมควรแก่เราดังนี้ในการทั้งสองแยกกันนั้นได้เกิดแผ่นดินไว้พระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงแผ่นดินไว้แล้วทรงไรกลวรดูก็พบว่าเกิดจากกําลังคุณของทั้งสองคนเราควรสมเคราะห์คนทั้งสองคนและเสด็จไปไกลาสามาวุธ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 ก็บรุพระอระหันต์ถึงความช่ำชองในบุกเพนิวารสยานต่อมาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางบุกเพนิวารสยานวันหนึ่งพระเถรีเปริงอุทานชมเชยคุณธรรมของพระมหากระสปะเทระและคุณของตนว่าพระมหากระสปะเทระผู้เป็นบุตรเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นดี